วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่สองมกราคมพุทธศักราช2566เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องจากวันที่หนึ่งมกราคมวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ทางราชการจึงกำหนดให้มีวันหยุดชดเชย คือวันจันทร์ที่สองนี้ทำให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนผู้ที่มีความฝ่ายธรรมได้มีโอกาสเวลาอีกหนึ่งวันที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของร่างกาย และจิตใจการที่ร่างกายและจิตใจของพวกเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องสนับสนุนทั้งร่างกายและจิตใจ เรื่อที่จะมาสนับสนุนร่างกายและจิตใจนี้เราเรียกว่าที่พึ่งของร่างกายและที่พึ่งของจิตใจเพราะถ้าว่าถ้าร่างกายและจิตใจขาดที่พึ่งร่างกายก็จะร่างกายและจิตใจก็จะอยู่อย่างทุกข์ยากลาบาก และอาจจะถึงแก่ความตายไปก็ได้ถ้าร่างกายขาดปัดจจัยสี่ส่วนจิตใจถ้าขาดปัจจัยขาดที่พึ่งของจิตใจจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์ร้อนมีแต่ความวุ่นวายหาความสุขไม่ได้ <c oughs> การที่ชีวิตของเรา จะมีความน้อมเงย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ได้เราจึงต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วนให้สมบูรณ์มีพึ่งที่พึ่งทั้งทางกายและมีที่พึ่งของใจมาดูแลร่างกายและจิตใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายที่พึ่งทางร่างกาย พวกเราก็คงจะรู้กันอยู่เพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเราหากันและมีกันตั้งแต่เราเกิดมาถ้าร่างกายของเราขาดที่พึ่งทางร่างทางร่างกายร่างกายของเราก็จะไม่สามารถอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ฐานที่เราอยู่กันได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรามีปัจจัยมีที่พึ่งทางร่างกาย ที่เรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสีคืออะไรปัจจัยสี่ก็คือหนึ่งอาหารสองเครื่องนุ่ห่มสามที่อยู่อาศัยและสียารักษาโรคนี่คือปัจจัยสี่ที่พึ่งของร่างกายถ้าร่างกายขาดปัจจัยสีอย่อย่างใดอย่างหนึ่งไป ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับร่างกายและอาจจะนำไปสู่ความตายของร่างกายก็ได้เราจึงต้องมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายเราตลอดเวลาเราต้องมีอาหารไว้รับประทานมีเครื่องนุ่งห่มไว้สวิมใส่ ปกปิดอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบผลหลบภัยต่างๆแล้วก็ต้องมียารักษาโรคเวลาที่ร่างกายเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องมียามารักษาถ้าไม่มียารักษาร่างกายเราก็อาจจะ ตายไปก็ได้อันนี้คือที่พึ่งทางร่างกายซึ่งพวกเราคงจะรู้กันและมีกันอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเราไม่มีเราก็คงจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ น, นั่นเองนี่คือเรื่องของที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งทางใจนี้ อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราอาจจะยังไม่เข้าใจกันเพราใจของพวกเราก็ต้องมีที่พึ่งเหมือนกันถ้าใจปราศจากที่พึ่งใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ร้อนมีแต่ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจักสิ้นที่พึ่งทางใจนี้ก็มีแบ่งมีอยู่สองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเราเรียกว่ า, าพุทธังธรรมังสังคังสละนางังกะชามีเรามีพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอันนี้ส่วนที่หนึ่งนอกจากมีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรายัางจําเป็นจะต้องมีที่พึ่งส่วนที่สองม า, มาร่วม ถึญามีที่พึ่งที่สมบูรณ์ที่พึ่งส่วนที่สองนี้เราเรียกว่าอัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้ทำหน้าที่สนับสนุนกันเหมือนปัจจัยสี่ที่พึ่งของว่างร่างกายก็มีหน้าที่สนับสนุนกันอาหารก็ ให้ร่างกายมีมีมีอาหารให้ดับความหิวมีเสื้อผ้าไว้ป้องกันภยัยมีที่หลบแดดหลบฝนคือมีบ้านและมียา ร, รักษาโรคฉันใดที่เพื่งทางใจก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนแรกเราเรียกว่าพละธนาใจส่วนที่สองเราเรียกว่า ตนเป็นที่พึ่งของตนต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ไม่เหมือนกันพระรัตนตรัยคือพระพูดพระธรรมพระสงฆ์มีหน้าที่สอนบอกให้เรารู้ว่าการที่เราจะมีจิตใจที่น่มเย็นสงบนี้เราจ้องต้องทำอะไรกันบ้างส่วน อัตตาหิอัตโนนาโถที่พึ่งส่วนที่สองนี้ก็คือเป็นการนําเอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสองสาวกมาปฏิบัตินี่มาศึกษาและมาปฏิบัติส่วนนี้เราเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือพวกเราทุกคนต้องเป็นผู้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือของพระ อ, อริยสงสาวกเมื่อได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเมื่อเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนแล้วความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆก็จะหมดไปหายไปนี่คือที่พึ่งทางใจที่พวกเรา จำเป็นที่จะต้องมาศึกษาได้ก็ต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะได้ที่เพิ่มที่ถูกต้องที่เพิ่มที่แท้จริงผู้อื่นผู้สั่งสอนนั้นไม่สามารถสอนที่เพิ่มที่แท้จริงได้เหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสากลเราเล่านี้ วิชาความรู้ต่างๆที่มีการสั่งสอนกันในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามส่วนใหญ่เป็นคำสั่งคาสอนเพื่อนำเอามาประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูร่างกายจะไม่มีคำสั่งคาสอนที่จะเอามาสอนเพื่อมาเลี้ยงดูจิตใจกัน มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกธรรมนั้นที่เป็นคำสั่งคำสอนที่ให้เราเอามาเลี้ยงดูจิตใจของเราให้จิตใจของเรานี้ปราศจากความทุกข์ให้จิตใจของเรามีแต่ความสุดตลอดเวลา ไม่มีคำสั่งคำสอนของใครในโลกนี้ที่จะสอนได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลาย<ม>เราจึงต้องยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นครูเป็นอาจารย์คำ<ม>ว่าสารณะที่พึ่งนี้หมายถึงที่พึ่งทางด้านความรู้เราไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเราให้ปราศจากความทุกข์ ให้ใจของเรามีแต่ความสุขตลอดเวลาเราจึงต้องไปอาศัยไปพึ่งคนที่มีความสุขตลอดเวลาคนที่ปราศจากความทุกข์ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้ท่านได้ปฏิบัติด้วยอัตาหิอาตโนนาโถของท่านจนท่านสามารถที่จะ สร้างที่พึ่งทางใจได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ใจของท่านนี้อยู่กับความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เข้ามาเกลียดย่ำจิตใจของท่านเลยเมื่อท่านได้ทำสำเร็จแล้วท่านก็เอาวิธีปฏิบัติของท่านนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราผู้ที่อยากจะได้ ที่พึ่งทางใจผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจผู้ที่อยากจะได้ความสุขทางใจตลอดเวลาเราก็ต้องมาศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากพระอริยรสงสาวกก็ดีถ้าเราศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยรสงสาวกเราจะไม่ผิดหวังเราจะได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ ได้รับ <Yeah. S 1> นะพระอ้าหันตะสาวกทั้งหลายได้รับคือความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังและก็การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงคือการยุติของการยืนว่ายตายเกิด <Yeah. S 1> เพราะเมื่อไม่มีการยืนว่ายตายเกิดเมื่อไม่มีการเกิดแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาดจากกัน ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาต่อไปในใจของผู้ที่ไม่เกิดแล้วดังนั้นการที่เราจะมีที่พึ่งทางใจได้เราต้องเข้าหาที่พึ่งอันแรกก่อนคือเข้าหาพระรัตนตรยัยเข้าหาพระพุทธเจ้าถ้าเรามีโอกาสได้ไปเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เราก็ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าโดยตรงได้เลยแต่ เรามาเกิดช้าไปหน่อยเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านจากพวกเราไป 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็ส่งมอบตัวแทนให้กับพวกเราแทนตัวพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสั่งคําสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกัน แล้วก็มีผู้ที่มาจดจําและบันทึกเอาไว้และต่อมาได้รวบรวมกันเอาไว้ในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนี่แหละคือที่รวมของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทุกทุกวัน วันละสามรอบสามสี่รอบด้วยกันเช่นตอนบ่ายท่งแสดงทำให้กับศรัท ธ, ธายาตอยู่คารวาดผู้ของเรือนตอนค่ำท่งแสดงทำให้กับภิกษุภิกษุณีผู้เป็นบนรรพชิตนักบวชและในายามดึกได้ท่งแสดงทำให้กับเทวดาและในายามเช้าก่อนจะเสด็จออกทรงบินรบาต ก็ส่งเรงยานดูว่ามีใครบ้างที่เหมาะกับการจะรับธรรมประเสฐของพระองค์ในวันนั้นมเมื่อได้เห็นแล้วว่าเป็นใครก็จะมุ่งไปหาบุคคล น, นั้นเพื่อแสดงธรรมสั่งสอนให้กับบุคคล น, นั้นนี่คือธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงแสดงทุกวันการแสดงธรรมนี่เป็นพุทธกิจ พุทธกิจนี่มีห้าข้อด้วยกันสข้อก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมส่วนข้อที่หก็คือการโปรดสัตว์ด้วยการบินทะบาทพระพุทธเจ้าก็ต้องมีปัจจัยสี่เลี้ยงร่างกายของพระองค์เช่นเดียวกันเพราะว่าถึงแม้ใจของพระองค์จะมีปัจจัยทางด้านจิตใจสมบูรณ์แล้วร่างกายของท่านก็ต้องมีการเติมปัจจัยสี่อยู่เรื่อย ต้องมีการรับประทานอาหารมีการเติมอาหารให้กับร่างกายอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็เลยต้องส่งออกบินาบาต ท, ทุกวันยกเว้นถ้เวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสังขารร่างกายนี้ชราภาพมากจนไม่สามารถที่จะเสด็จออกบินาบาตได้ก็ต้องระ ง, งับไปด้วยความจําเป็นของร่างกายนี่คือ พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถที่จะศึกษาได้เพราะมีบันทึกไว้มามีรวบรวมไว้ในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎก <c oughs> พระธรรมคำสอนที่มีไว่อ ย, อยู่ในพระไตรปิฎกนี้ถือว่าเป็นคำสอนที่แท้จริงที่ถูกต้องจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าโดยตรง ดังที่พระเจ้าทรงได้ตัดไว้ว่าตอนก่อนที่จะจากพวกเราไปนี้พระองทรงตัดว่าถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปแต่พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปากเส จ, จากเราคือาศาสดาเพราะว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนเราแทนาศาสดาก็คือพระธรรมวินัยคำสั่งคาสอนต่าง ที่เราได้แสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปี mm hmm. พวกเธอยังมีศาสดา mm hmm. ก็ยังมีเราเป็นพระเป็นอาจารย์เป็นผู้สั mm ่ง hmm. ผู้สอนอยู่โ mm hmm. ดยการเข้าไปศึกษาพระสูตรต่างๆที่มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก mm hmm. mm hmm. นี่คือแหล่งแรกของการไปศึกษาเพื่อให้ได้รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งสร้างสร้างที่ ที่พิ่งทางใจให้ใจได้มีความสุขให้ใจปราศจากความทุกข์ได้แหล่งที่พึ่งอันที่สองที่มีอยู่เป็นส่วนประกอบของพระรัตนตรยัยก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ท่านก็เป็นผู้ที่รู้วิธีสร้างที่พึ่ง ในระดับต่างๆกันพระโสะดาบานันนี้รู้วิธีสร้างที่พึ่งในระดับขั้นที่หนึ่งยังไม่สมบูรณ์แต่ท่านก็จะสามารถที่จะสอนและถ้าเราเข้าใจหลักของการสร้างที่พึ่งทางใจแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างที่พึ่งต่อไปได้ด้วยตนเอง พระโสดาบันนี้ต่อไปท่านก็จะเป็นพระสะกิราคามีพระอนาคามีพระอรหันตามลําดัดเพราะท่านได้แผนที่ของการที่แบบแบบแผนที่หรือแบบแปลนสร้างบ้านพอเรามีแบบแปลนสร้างบ้านเราก็จะสามารถสร้างบ้านไปได้ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มสร้างก็าตามแต่ถ้าเราขยันสร้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวบ้านของเราก็จะสร้างสําเร็จได้เั้น นี่คือแหล่งที่สองของพระรัตนตรัยก็คือหรือแหล่งที่สามแหล่งที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านไม่อยู่แล้วก็เหลือแหล่งที่สองคือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีรวบรวมมาไว้ในพระธรรมปีพระไตรปิฎกแล้วแหล่งที่สามที่เราสามารถที่จะศึกษา สามารถเอามาเป็นที่พึ่งทางใจเราได้ก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายคือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ม>ที่เราเรียกว่าพระสุปฏิปันโนเ<ม><ม>พราะท่านเป็นผู้ที่เข้าถึงวิธีการสร้างที่พึ่งทางใจนั่นเองนี่คือแหล่งที่เราควรที่จะเข้าหา ถ้าเราต้องการมีมที่พึ่งทางใจที่ถูกต้องถ้าเราไปเข้าแหล่งที่อื่นเราอาจจะไม่ได้ที่พึ่งที่ถูกต้องก็ได้เช่นถ้าเราไปศึกษากับพระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ที่ยังไม่บรรลุอริยมรรคผล ท่านก็ยังจะไม่รู้วิธีสร้างที่พึ่งทางใจที่ถูกต้องได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ท่านอาจจะรู้บางส่วนและอาจจะไม่รู้บางส่วนจึงทำให้การสร้างที่พึ่งทางใจนี้ไม่สมบูรณ์ถ้าเราอยากจะให้ได้ที่พึ่งที่สมบูรณ์นี้เราต้องไปที่พระอริยสงสาวกหรือไปที่พระไตรปิฎก ศึกษาจากพระไตรปิฎกจากาพระธรรมปีแล้วเราก็จะรู้จากวิธีที่จะสร้างความสร้างที่พึ่งให้กับใจเมื่อเราได้ศึกษาแล้วสิ่งที่เราต้องทาต่อไปก็คือเราก็ต้องนำเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี้มาปฏิบัติเพราะถ้าเราเพียงแต่เรียนรู้วิธีสร้างบ้านแต่เราไม่ไปสร้างบ้าน เราอยู่เฉยๆบ้านมันไม่เกิดขึ้นมาได้ตอนต้นเราก็ไปจ้างในช่างสถาปนิกให้ช่วยออกแบบบ้านให้หน่อยว่าอยากจะได้บ้านแบบนี้แบบนั้นราคาเท่านั้นเท่านี้สถาปนิกเขาก็จะวาดภาพของบ้านตามที่เราต้องการแล้วเขาก็จะเขียนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวิธีสร้างบ้านว่าจะต้องสร้างด้วยเสาขี่ต้น ต้องมีห้องกี่ห้องมีกี่ชั้นมีอะไรเขาก็จะเขียนแบบแปลนออกมามพอเราได้แบบแปลนแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาไปสร้างถ้าเรามีความสามารถที่จะสร้างเองได้เราก็สร้างถ้าไม่มีเราก็ต้องไปจ้างช่างมาให้เขามาช่วยสร้างให้เรา<ม><ม>บ้านถึงจะเกิดขึ้นมาได้<ม>ที่พึ่งทางใจก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราได้แบบแปลนมาจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสั่งคำสอนหรือจากพระอริยสงสารกปแล้วเราก็เอาแบบแปลนเอาคำสั่งคำสอนนี้ไปสร้างบ้านสร้างที่พึ่งให้กับใจด้วยการปฏิบัติของเราเองอันนี้เราไปจ้างคนอื่นมาปฏิบัติแทนเราไม่ได้เช่นสมัยนี้บางคนคิดว่าจ้างให้คนอื่นบวชให้เรา แล้วเราจะได้บุญอันนี้เราไม่ได้บุญจากการบวชแต่เราได้บุญจากการทําให้เขาได้มีโอกาสได้บวชเพราะบางทีคนบางคนอยากจะบวชแต่ไม่มีเงินซื้ออัฐบริหารยากจนเราก็เป็นผู้เหมือนกับเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้ที่สนับสนุนให้เขาได้บวช เป็นคนจัดหาซื้ออัฐบริขารและปัจจัยจตุปัจจัยไทยทานต่างๆที่จะต้องมีให้ถวายให้กับพระอุปชาพระคู่สวดและพระอันดับถ้าเขาไม่มีเงินของเขาเองเขาก็อาจจะต้องอาศัยคนที่อยากจะได้บุญ<ม>ก็อาจจะเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุน ให้กับคนที่อยากจะบวชแต่ไม่มีเงินที่จะบวชนีแต่การเป็นสปอนเซอร์นี้จะไม่ได้จะไม่ได้อานิสงส์จากการบวชของของคนที่เราสปอนเซอร์สิ่งที่เราได้ก็คือการทําบุญการทําทานคือการเสียสละเงินทองของเราเพื่อให้เขาได้บวชเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้บวชแทนเราเนีเขาบวชเพื่อตัวเขาเอง เราต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อตัวเขาเองถ้าเราอยากจะมีที่พึ่งทางใจเราไปสร้างจ้างคนอื่นมาบวชมาสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ที่ไปบวชเองไปศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนและไปปฏิบัติเองเราถึงจะได้ที่พึ่งทางใจของเรา น, นี่เรียกว่าอัตาหิอัตานนาโต ตนต้องเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งสร้างที่พึ่งทางใจด้วยตนเองคนอื่นมาสร้างที่พึ่งให้กับเราไม่ได้คนอื่นมาศึกษามาปฏิบัติแทนเราไม่ได้ถึงแม้เราจะเป็นสปอนเซอร์ให้คนที่อยากจะบวชอยากจะศึกษาอยากปฏิบัติได้ศึกษาได้บวชก็ตา่างแต่อันนิสงของการศึกษาของการบวชนี้เกิดกับคนที่เขาศึกษา เกิดกับคนที่บวชไม่ได้เกิดกับคนที่เป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์ได้ก็คือทานทานก็จะให้ผลในระดับขั้นต่ำคือได้ไปสวรรค์ชั้นเทพเท่านั้นเองแต่สวรรค์ชั้นเทพนี้ยังเป็นสวรรค์ชั่วคราวอยู่ที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงและยังจะต้องกลับมาเกิดอีกถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานนี้ ต้องศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเองจะบวชหรือไม่บวชก็ได้แต่ต้องมีการศึกษาและการปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นถึงยะ า, ามาสร้างที่พึ่งได้อย่างสมบูรณ์อันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าบางท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อเราไม่มีเวลาบวชเราก็เลยจ้างคนอื่นบวชแทนเราหรือสนับสนุนคนที่เขาอยากจะบวช แต่เขาไม่มีปัจจัยไม่มีเงินทางที่จะซื้ออัฐบริขารซื้อของต่างๆที่ต้องใช้ในงานบวชเราก็เป็นเจ้าภาพเป็นสปอนเซอร์การเป็นเจ้าภาพเป็นสปอนเซอร์นี้เราได้ทำทานเราได้ทาบุญในระดับทานซึ่งเป็นขั้นแรกของการสร้างที่พึ่งการสร้างที่พึ่งนี้มี3มขั้นด้วยกัน เหมือนกับการสร้างบ้านก็มีหลายขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็อาจจะต้องมีการตอกเสาเข็มก่อนถ้าพื้นดินที่เราสร้างนั้นมันไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับน้ําหนักของอาคารของบ้านที่เราจะสร้างได้ขั้นตอนแรกเราก็ต้องสร้างเราก็ต้องตอกเสาเข็มเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของดินของพื้นดินให้มีกำลังที่จะสามารถรองรับน้าหนัก ของตัวขานรได้การทำบุญทำทานนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกของการสร้างบ้านทางใจสร้างที่พึ่งทางใจพระเจาทรงสอนนะ<ม>การสร้างบ้านทางใจนี้มีอยู่สามสี่ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็ให้ทำทานเสร็จแล้วก็ให้รักษาศีลห้า ต่อจากศีล์ห้าก็ให้รักษาศีล์แปดแล้วต่อจากศีล์แปดก็ให้ไปภาวนาภาวนาก็มีสองขั้นด้วยกันคือสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนานี่เป็นขั้นตอนของการสร้างบ้านสร้างที่พึ่งทางใจซึ่งก็เป็นเหมือนกับการสร้างบ้านทางทางการก่อสร้าง บ้านที่เขาก่อสร้างเขาก็มีขั้นตอนเขาข้ามขั้นตอนไปไม่ได้ก่อนหนึ่งเขาต้องตอกเสาเข็มก่อนไม่ใช่มารอตอกเสาเข็มตอนที่สร้างบ้านเสร็จแล้วอันนั้นสายไปแล้วถ้ามาตอกเสาเข็มทีหลังนี้มันตอกไม่ได้แล้วบ้านที่สร้างไปก็อาจจะล้มลงมาก็ได้เพราะดินที่บุก รองรับบ้านนี้มีน้ำหนักมีกำลังไม่พอที่จะรับน้ำหนักของตัวอาคารได้<ม>ดังนั้นก่อนที่เขาจะสร้างบ้านนี้เขาจะต้องมีแผนวางไว้ก่อนว่าจะต้องทําขั้นไหนก่อน<ม>ขั้นแรกก็คือต้องตอกเสาเข็มถ้าดินที่รองรับตัวอาคารมีกําลังไม่พอที่จะรับน้ําหนักของตัวอาคารได้<ม>ก็จำเป็นจะต้องตอกเสาเข็มเพื่อทําให้ ดินน่แน่นและมีกําลังที่จะรองรับน้าหนักของตัวอาคารได้แล้วเมื่อได้ตอกเสาเข็มแล้วสิ่งที่ก็ต้องทำขั้นที่สองก็คือต้องปูละต้องทำรากฐานสาหรับตั้งเสาเสานี้จะเป็นตัวที่รับน้าหนักลงมาสู่ดินอีกทีนะึงลงมาสู่ฐานฐานรับน้าหนักเพื่อที่จะได้รับน้ําหนักที่ลงมาจากตัวอาคารแล้วส่งไปสู่ที่ ตัวเสาเข็มอีกทีหนึง่งเขามีขั้นตอนไม่ใช่นึกอยากจะทำขั้นไหนก็ทาเอาตามอําเภอใจอการสร้างที่พื้นทางใจก็เหมือนกันเราต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะสร้างก็เอาเอาเสาไปปักแล้วก็เอาหลังคาไปตั้งเลย อ, อันนี้ถ้ายังไม่มีฐานนี้เดี๋ยวก็ล้มลงมา ต้องมีฐานรองรับน้ำหนักของเสาต้องมีต้องมีเข็มไว้รองรับน้ำหนักที่ลงมาจากเสา อ, อีกต่อหนึ่งการการสร้างที่พึ่งทางใจก็เช่นเดียวกันเราจำเป็นใชที่จะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะการสร้างที่พึ่งทางใจนี้มันก็เริ่มจากขั้นที่ง่ายไปสู่ขั้นที่ยากนั่นเอง ถ้าเรายัางทำขั้นที่ง่ายไม่ได้เราจะไปทำขั้นที่ยากนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนเมื่อขั้นที่ง่ายยังทำไม่ได้จะไปทำขั้นที่ยากกว่าได้อย่างไร <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำขั้นที่ง่ายก่อน <Yeah. S 1> ก็คือขั้นทานก่อนให้เราเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ yeah. อย่ามีเกินความจำเป็นมีเก็บไว้สำหรับสร้างที่พึ่งทางร่างกายก็พอมีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายคือปัจจัยสี่อย่าไปมีมากกว่าความจำเป็นเพราะมันจะทำให้เราเสียเวลาเราต้องการเอาเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจให้หมดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ถ้าเรายังมัวไปเสียเวลากับการ ไปหาที่พึ่งทางร่างกายมากเกินความจําเป็นอยู่เวลาที่เราจะได้อำมาสร้างที่พึ่งทางใจก็จะมีน้อยลงและอาจจะไม่ทันเวลาก็ได้เพราะเราต้องทำงานแข่งกับเวลากันแข่งกับเวลาของร่างกายของชีวิตของร่างกายนี่กะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร่างกายของเรานี้มีอายุยืนยาวนานเท่าไหร่จะจะจะจบลงเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ ดัง น, นเราอย่าไปเสียเวลาให้กับการสร้างที่พึ่งทางร่างกายมากจนเกินไปเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราสร้างที่พึ่งทางร่างกายโดยหลักของมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือเอาน้อยๆอยเอาเท่าที่จําเป็นก็พออาหารก็เอาเท่าที่จําเป็นเครื่องนุ่งห่มก็มีเท่าที่จําเป็นบ้านก็มีเท่าที่จําเป็นยารักษาโรคก็เอาให้มีเท่าที่จําเป็น ไม่ต้องมีมากแล้วก็ไม่ต้องฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ต้องเสียเสียเงินเสียทองมากเกินเกินความจําเป็นเช่นปัจจัยสีน่นี้มันก็มีหลายราคาหลายระดับด้วยกันแต่ปัจจัยสี่ทั้งทุกระดับก็ทําหน้าที่ให้กับร่างกายได้เท่ากันเกิดเป็นที่พึ่งทางร่างกายได้เท่ากันดังนั้นเราจึงอย่าไปถูกความหลง อย่าไปถูกกิเลสตัณหาบานหลอกให้เราไปคิดว่าการที่เราเลี้ยงดูร่างกายของเรนี้ให้มีความสุขมากๆนี้เราต้องเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆอันนี้เป็นความหลงถูกหลอกถูกกิเลสตัณหาหลอกให้เรามาเสียเวลากับการหาที่พึ่งที่มีราคาแพงๆ ทางร่างกายมาแล้วเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปสร้างที่พึ่งทางใจนั่นเองดังนั้นผู้ที่ต้องการสร้างที่พึ่งทางใจนี้จาเป็นที่จะต้องเอาเวลามาจากการที่พึ่งทางร่างกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เหลือเวลาไว้เพียงกับเท่าที่จาเป็นกับความต้องการของร่างกาย ผู้ที่ทำสร้างที่พึ่งได้สำเร็จอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพาาาระอรหันต์นี้ที่พึ่งทางร่างกายของท่านนี้เป็นที่พึ่งแบบมากน้อยสันโดษจริงๆน้อยมากเช่นอาหารท่านก็ฉันวันละมือ้อแล้วก็อาหารท่านก็ไม่จูจจ้จี้จุกจิกไปบินทบาดโปรดสัตว์แล้วแต่เขาจะให้อะไรมา จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปสรรหาอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้บางคนนี่ต้องขับรถไปร้อยกิโลเพื่อไปกินอาหารที่อยากจะกินเนี่ยมันเสียเวลามากเกินความจำเป็นแล้วเวลาที่จะเอามาสร้างที่พึ่งทางใจก็จะน้อยลงไปนั่นเองงนั้นคนที่รู้ความสำคัญของการสร้างที่พึ่งทางใจอย่างพระพุทธเจ้าและพระาพระาพราณนี้ท่านถึงให้เวลากับการสร้างที่พึ่งทางร่างกาย เท่าที่จาเป็นเท่านั้นอาหารก็อาหารอะไรก็ได้ขอให้กินแล้วทำให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องกินมากเกินไปร่างกายไม่ต้องการอาหารถึงสามมือ้อหลยหรับนักปฏิบัตินี่อาหารวันละมื้อก็พอเพียงพระพุทธเจ้าสอนพระให้ใช้ข้าทุดงขวัดเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลามาก ต่อการเลี้ยงดูร่างกายหาอาหารด้วยการไปบินทบาทิอย่างมากก็วันวันละชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้อาหารมาแล้วแล้วก็อาหารนะจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ไม่สำคัญแล้วก็ให้รับประทานให้ฉันเพียงมื้อเดียวก็พอแล้วก็ให้เอาอาหารรวมลงในรวมรวมลงไปในบาทไปเดียวจะได้ไม่ต้องมีภาชนะมากมายเพราะถ้ามีภาชนะหลายชิ้น เวลาฉันเวลาันเสร็จก็ต้องเสียเวลากับการล้างเก็บภาชนะต่างๆถ้ามีบาทใบเดียวนี่ันเสร็จล้างบาทใบเดียวปั๊บเดียวก็จบเสร็จก็จะได้ไปกลับไปปฏิบัติสร้างที่พึ่งทางใจต่อได้เลยเฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะสร้างที่พึ่งทางใจนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องรู้จักวิธีสร้างที่พึ่งทางร่างกายโดยหลักมักน้อยสันโดษ คือเอาน้อยๆเอาเท่าที่จาเป็นอาหารก็เอาแค่วันละมือแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาหารที่มีราคาแพงหรือถูกปากถูกใจอาหารอะไรก็ได้ถึงแม้ไม่ถูกปากถูกใจขอให้มันเป็นอาหารให้มันดูแลร่างกายได้ก็ใช้ได้เหมือนกับการรับประทานยายานี้เราไม่จำเป็นว่าจะต้องให้มันถูกปากกับเรา เวลาเรากินยาแล้วก็ใส่เข้าไปในปากก็กลืนเข้าไปเลยแต่ในอาหารก็ควรจะกินแบบนั้นอย่าไปติดกับรสชาติของอาหารเพราะมันจะทําให้เราต้องเสียเวลากับการสรรหาอาหารชนิดต่างๆมารับประทานกันนั่นเองเนี่ยคนบางคนที่พูดถึงเนี่ยบางคนต้องขับรถไปอยู่กรุงเทพขับรถมาแถวเนี่ยแถวบ้านอเาเภอเพราะอยากจะกินอาหารทะเลสดๆต้องเสียเวลาขับรถไปกลับน กี่ชั่วโมงกันบางทีก็ต้องมาค้างคืนด้วยเพราะอยากจะกินหลายมือเนท่งจากที่ยาวเวลาไปสร้างที่พึ่งทางใจก็เสียเวลาหมดเวลาไปกับการสร้างที่พึ่งทางร่างกายซึ่งเป็นที่พึ่งชั่วคราวท่านเองที่พึ่งทางร่างกายจะเลี้ยงดูร่างกายให้ดีขนาดไหนใช้ของที่มีราคาแพงขนาดไหนมันเดี๋ยวพอไม่นานร่างกายมันก็ต้องตายไปอยู่ดีร่างกายมันอยู่ไม่เกินร้อยปี แต่เวลาที่เราสูญเสียไปกับการนลีงดูร่างกายนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากเวลามีค่าเพราะว่าเราการจะสร้างที่พึ่งทางใจได้นี้เราต้องมีเวลาแล้วที่พึ่งทางใจนี้เป็นของที่มีค่ามากยิ่งกว่าที่พึ่งทางร่างกายหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะที่พึ่งทางใจนี้เป็นที่พึ่งที่ถาวรที่จะดูแลใจเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด แต่ที่พึ่งทางใจทางร่างกายนี้เป็นที่พึ่งชั่วคราวพอร่างกายถึงอายุไข ข, ของเขาเขาก็ตายไปแล้วก็ที่พึ่งที่เราสร้างมากับทางร่างกายก็หมดคุณค่าไปไม่สามารถดูแลร่างกายให้อยู่ไปตลอดได้ดังนั้นคนที่รู้ความรู้เรื่องของร่างกายและจิตใจนี้ มันจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงของชั่วคราวอยู่ไปไม่เกินน้อยปีก็ต้องสิ้นสุดลงแต่ใจนี้เป็นของที่ไม่มีวันตายเป็นของที่อยู่ไปตลอดจะอยู่ไปแบบมีความทุกข์ไปตลอดหรือจะอยู่ไปแบบมีความสุขไปตลอดก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจหรือไม่ถ้าเรามีเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจและสร้างได้สาเร็จพอสาเร็จแล้ว ใจของเราก็จะมีที่พึ่งไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรายังสร้างที่พึ่งไม่สำเร็จใจของเราก็ยังจะอยู่แบบไม่มีที่ที่พึ่งไปไปตลอดจนกว่าเราจะสามารถหาเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจได้สมบูรณ์และการที่จะสร้างที่พึ่งทางใจได้อย่างสะดวกและถูกต้องนี้ เราจำเป็นจะต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนานี่เราก็เหมือนกับไม่มีไม่มีแบบแบบบ้านแบบแปลนที่เราจะมาสร้างบ้านเราต้องเราต้องไปหาสถาปนิก ค, คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่จะออกแบบการสร้างบ้านให้กับเราผู้ที่จะบอกว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องตอกเสาเข็มกี่ต้นต้องมีเสากี่ เสามีกี่ชั้นมีหลังคากว้างใหญ่มากน้อยเพียงไรอันนี้ถ้าเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญสถาปนิกหรือวิศวกรในการสร้างบ้านเราจะไม่สามารถสร้างบ้านให้สวยงามให้เป็นบ้านที่จะให้ความสุขของเราไปได้ตลอดดังนั้นเราต้องรีบตักตวงโอกาสเวลาอันมีค่าของเราในขณะนี้เพราะว่าเป็นนานานสักครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาเกิด แล้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับสถาปนิกผู้ที่ออกแบบบ้านทางใจให้กับเราเพราะถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราต้องออกแบบเองเขียนแบบเองซึ่งถ้าเราไม่รู้จักวิธีเราก็จะไม่สามารถเขียนแบบบ้านที่ถูกต้องได้นานๆาจะมีคนที่ฉลาดที่สามารถที่จะออกแบบบ้านทางใจได้ด้วยตัเองนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง พระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่อาภัพวาสนามากกับพวกเราเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าหาสถาปนิกมามาออกแบบบ้านให้กับท่านไม่ได้เมื่อท่านหาสถาปนิกหาวิศวกรมาเขียนแบบสร้างบ้านให้ท่านไม่ได้ท่านก็เลยต้องเขียนเองหัดเขียนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากแต่เนื่องจากท่านมีความฉลาดท่านสามารถศึกษาได้ด้วยตเอง จนในที่สุดท่านก็สามารถเขียนแบบ<ม>บ้านที่ท่านต้องการได้และสร้างบ้านที่ท่านต้องการได้<ม>หลังจากนั้นแล้วท่านก็เลยเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปเป็นสถาปนิกออกแบบบ้านให้กับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างบ้านทางด้านจิตใจ<ม>พวกเรานี่มีวาสนามากกับพบระพุทธเจ้าเพราะพวกเรามาเกิดในยุคที่มีสถาปนิกมีผู้ที่จะเขียนแบบให้กับเราจะบอก เราเพียงแต่เข้าไปหาแล้วไปขอแบบมาศึกษาท่านั้นเองพอเราได้ศึกษาแล้วเรากเา็เอาไปสร้างาการสร้างบ้านทางจากนี้เราต้องสร้างด้วยตัวเองไม่มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างทําให้กับเราเราต้องเป็นผู้รับเหมาเองเป็นผู้ก่อสร้างเองแต่เราทําได้ถ้าเรามีแบบแผนพอแบบแผนแล้วเราก็ทําตามแบบแผนพอเราทําตามแบบแผนแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ บ้านที่เราต้องการเป็นที่พึ่งทางใจของเราไปตลอดนี่คือเรื่องของที่พึ่งสองส่วนด้วยกันส่วนหน้าก็คืออาตาัตตะพุถังธรรมังสังคังสรนังกัชฌามิส่วนที่สองก็คืออัตจะหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเบื้องต้นเราก็ต้องสแสวงหาสถาปนิกสสแสวงหาผู้ออกแบบ ซึ่งเราโชคดีเนี่ยเรามาเกิดในชาตินี้ยุคนี้ที่มีสถาปนิกที่จะรับบริการเค้นแบบให้กับพวกเราหน้าที่ของพวกเราก็คือเราต้องเข้าหาสถาปนิกต้องเข้าหาผู้ที่ออกแบบบ้านให้กับเราแล้วเราก็ไปเรียนไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่สามส่วนด้วยกันที่จะทำหน้าที่แทนกันได้ส่วนแรกคือพระพุทธเจ้านี้ท่านจากพวกเราไปแล้ว ก็เหลืออยู่สองส่วนด้วยกันก็คือพระธรรมคาสั่งคําสอนที่มีรวบรว ม, รวมบันทึกเอาไว้ในพัดคอมีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกส่วนที่สองก็คือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายพระอริยสงสารวกของพระพุทธเจ้าท่านก็จะเป็นผู้ที่จะสอนให้เราเขียนแบบบ้านที่เราต้องการเมื่อเราเขียนแบบบ้านที่เราต้องการได้แล้วเราก็นาเอาไปสร้างบ้านได้เลย นี่คือที่พึ่งส่วนที่หนึ่งของทางด้านจิตใจคือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเราถึงจะสามารถสร้างที่พึ่งทางใจได้อย่างถูกต้องถ้าไม่มีที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนแล้วไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถเขียนแบบแปนบ้านทางใจได้ด้วยตนเองยกเว้นคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นซึ่งนานจะมีโผลขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง หลายล้านล้านล้านปีด้วยกันถึงจะมีพระพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เป็นผู้ที่จะมาศึกษาหาหาแบบแปลนของการสร้างบ้านทางใจแล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็เอาแบบแปลนที่ท่านได้ค้นพบนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับผู้อื่นผู้ที่ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกกัน แล้วหลังจากนั้นพระอริยรสงสาวกผู้ที่รู้วิธีสร้างบ้านเหมือนกับที่พระเจ้าได้้ดได้รู้เพราะได้สร้างบ้านของตนเองได้สดําเร็จแล้วก็สามารถเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนผู้ที่อยากจะสร้างบ้านต่อไปได้เรามีพระอรหันต์หรือพระอริยรสงสารุกนี้มาคอยรักษาแบบแผนแบบแปลนของบ้านนี้มา ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าถ่ายทอดไปให้กับพระอริยสงสาวกพระอริยสง์สาวกก็ถ่ายทอดไปให้กับพระอริยสงสารุกลู่บุญแล้วก็มีการสั่งสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้สมัยนี้เราก็ยังมีพระไตรปิฎกเรายังมีพระอริยสงสาวกที่จะบอกวิธีสร้างบ้านทางใจให้กับเรา หน้าที่ของเราก็คือนี่อัตตาหิตอัตโนนาโถนี่คือหน้าที่ของเราเราต้องเป็นผู้ที่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านก็เป็นเหมือนบริษัทนะท่านก็ตั้งไว้แล้วค่าใครอยากจะมาเป็นลูกค้าเขาก็ต้องไปหาไปติดต่อกับเขาเขาไม่มีกําลังที่จะมาวิ่งมาหาพวกเราทุกคนเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าคนไหนอยากจะสร้างบ้านทางใจหรือไม่ บริษัทต่างๆเขาทำได้อย่างมากก็แค่โฆษณาบอกว่าบริษัทเขาทำอะไรได้บ้างแต่คนที่ต้องการที่จะใช้บริการของบริษัทเขานั้นก็ต้องไปติดต่อกับบริษัทเพราะาบริษัทจะไม่มีกำลังที่จะไปติดต่อกับคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ได้เราเลยต้องใช้การโฆษณาเพราะพุทธศาสนาของเราก็มีการโฆษณาก็คือการมีการแสดงธรรมของพระอริยสงสาวก ทั้งหลายนั่นเองที่เราได้ยินได้ฟังทำจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายนี้ก็เป็นเหมือนกับการได้รับรู้การโฆษณาว่าพระอริยสงฆ์นี้สามารถที่จะบอกวิธีสร้างบ้านทางใจให้ให้กับพวกเราได้ถ้าพวกเราอยากที่จะสร้างบ้านทางใจเราก็ต้องเข้าหาพระอริยสงฆ์สาวกเพื่อไปศึกษาวิธีสร้างบ้านกัน เมื่อเรารู้วิธีแล้วเราเราก็นําเอาไปปฏิบัติท่านก็จะสอนเหมือนกันหมดทุกทุกสำนักนะถ้าเป็นพระอริยสงฆ์ก็สอนเหมือนกันหมดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็จะสอนเหมือนกันหมดสอนให้ทําทานก่อนให้เราลดการใช้เงินทองหาเงินทองเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาให้กับการสร้างบ้านทางใจน อย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้เรามีเวลาน้อยกับการสร้างบ้านทางใจและอาจจะไม่มีเวลาพอก็ได้เพราะชีวิตของคนเรานี้มันสั้นมันไม่ยาวมันไม่ได้อยู่เป็นพันปีหมื่นปีอยู่ไม่เกินร้อยปีก็จะหมดและการที่จะปฏิบัต สร้างบ้านทางใจได้ร่างกายก็ต้องมีกําลังวังชา hmm. เพราะว่าถ้าแก่ไปนี่มันก็จะมีอุปสรรค hmm. มีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆมาคอยเบียดเดียนจะทําให้ไม่ค่อยมีกําลังที่จะไปปฏิบัติทางด้านจิตใจได้อยงนั้นในขณะนี้ขณะที่ร่างกายเรายังแข็งแรงยังนั่งสมาธิได้ยังเดินจงกรมได้ยังฟังเทศฟังธรรมได้นี่รีบทําเสียเถิด อย่าไปรอให้มาเวลาที่มันสายไปแล้วอย่างมีคำพูดว่าจะเข้าวัดก็ให้เดินเข้าวัดอย่าให้เขาแบกเข้าวัดจะฟังจะฟังเทศก็ก็ให้ไปนั่งฟังอย่าไปให้เขาสวดเราตอนที่เราอยู่ในโรงเพราะตอนนั้นมันสายเกินไปแล้วจะสวดมนต์ก็สวดเองอย่าให้คนอื่นมาสวดให้กับเรา เพราะการให้คนอื่นมาทำสิ่งต่างๆให้กับเราตอนที่เราตายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้รีบทำเสียตั้งแต่ตอนที่ตอนนี้ตอนที่เรายังมีเวลาอยู่ยังทำได้ด้วยการเดึงเอาเวลาจากการที่เราไปใช้กับเรื่องอื่นให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เวลาที่เราไปใช้หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ก็ตัดมันไปเลยด้วยการถือศีลแปด อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เวลาที่เอาไปเลี้ยงปากหางานหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็หาเท่าที่จำเป็นก็พอหาเท่าที่พอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ถ้าเราอยู่แบบมากน้อยสันโดษได้นี้เราจะใช้เงินทองเลี้ยงดูร่างกายไม่มากถ้าเรากินอาหารวันละมื้อได้แล้วถ้าเราใช้เสื้อผ้าแค่สองสามชุดได้นี้มันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายมาก แล้วถ้าเราอยู่แบบแบบเรียบง่ายอยู่ไปไปอยู่ตามวัดตามสถานที่สงบสงัดนี้ก็แทบจะไม่ค่อยมีค่าใช้ใจ่ายอะไรออยารักษาโรคเราก็รักษาไปตามมีตามเกิดโรงพยาบาลเขาก็มีสามสิบาทรักษาทุกโรคได้เราก็ใช้บริการแบบนี้ก็ได้เราวจะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายที่เป็นของชั่วคราว เลี้ยงดูมันดีขนาดไหนมันก็ตายเหมือนกันเอาเวลาจากการเลี้ยงดูร่างกายมากเกินไปนี้มาเลี้ยงดูจิตใจมาสร้างที่พึ่งทางใจกันดีกว่ามาปฏิบัติตามแบบแผนที่พระเจ้าได้ทรงออกแบบไว้สามขั้นตอนสี่ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกก็อย่างที่พูดนี้ทาทานเพื่อจะได้เอาเวลามาให้กับการศึกษาและปฏิบัติขั้นที่ขั้นต่อไป ถ้าเราอยู่แบบมักน้อยสันโดษเราจะมีเวลาให้กับการมาสร้างบ้านทางใจได้มากขึ้นเวลาที่เราเอาไปใช้กับการทำงานหาหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อนี่ก็ใช้ไม่ต้องมากถ้าเราใช้แบบประหยัดใช้แบบมักน้อยใช้แบบสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเราก็จะมีเวลามากให้กับการมาสร้างบ้านทางใจ ขั้นที่สองคือของการสร้างบ้านทางใจก็คือต้องรักษาศีลให้ได้ศีลขั้นต้นก็คือศีลห้ารักษาศีลห้าให้ได้เมื่อเรารักษาศีลห้าได้แล้วก็ให้เพิ่มระดับของการรักษาศีลเป็นศีลแปดเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะได้ดึงเวลาให้กับการสร้างบ้านได้มากขึ้นเพราะว่า ถ้าเรารักษาสิลนแปดเราก็จะไม่สามารถที่จะเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้นั่นเองเราก็จะไปร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ได้เราก็จะกินอาหารมากเกินไปไม่ได้เราก็จะไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆไม่ได้เราก็จะเสียเวลากับการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่ไดแ้แล้วเราก็จะไม่นอนมากเกินไปถ้าเรานอนบนเตียงที่ไม่สบาย ไม่ไม่สำาราบเรียงแบบเรียบง่ายคือนอนกับพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อล่างกายก็จะนอนไม่มากร่างกายต้องการพักผ่อนเพียงสี่ห้าชั่วโมงเท่านั้นเองถ้านอนบนฟูกนะนะันาะพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็ยังไม่อยากจะลุกใจก็จะขอนอนต่อยก็จะทำให้เสียเวลามีค่าที่เราจะเอามาใช้กับการสร้างบ้านทาใจของเรา อันนี้คือขั้นของศีล น, นะทำทานแล้วเราก็ล่องมารักษาศีลกันให้ได้รักษาศีลห้าได้แล้วเราก็มาหารักษาศีลแปดเบื้องต้นเรอาจจะรักษาศีลแปแค่อาทิตย์ละครั้งก่อนเพราะเรายังอาจจะไม่มีกําลังมากพอและยังไม่มีเวลาเพราะเรายังติดกับภาระอะไรอย่างอื่นอยู่ก็ลองเอาขั้นวันพระก่อนวันใดวันหนึ่งที่เราหยุดทํางานที่สะดวกต่อการรักษาศีลแป เราก็รักษาสินแปดไปแล้วเราก็ไปอยู่ที่สงบจะไปอยู่วัดก็ได้อยู่ที่ไหนที่เราจะสามารถปฏิบัติสร้างบ้านด้วยการปฏิบัติทำขั้นที่สูงขึ้นไปคือขั้นภาวนาการถือสินแปดนี้ก็เพื่อที่เราจะได้เอาดึงเอาเวลาที่เราหมดไปกับการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เพื่อที่เราจะได้มาสร้างบ้านทางใจของเรา การสร้างบ้านทางใจก็คือการสร้างความสงบให้กับใจนี่เองด้วยการเจริญภาวนาภาวนานี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถภ า, าวนาคือการทำใจให้สงบเป็นสมาธิระดับที่สองเรียกว่าการวิปัสสนาภาวนาคือการสอนใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นสองขั้นที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปทีละขั้น ขั้นต้นก็รักษาศีนแปดให้ได้เมื่อเวลารักษาศีนแปดได้เราก็จะมีเวลาให้กับการเจริญสมถภาวนาเพราะการเจริญสมถภาวนานี้ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องต้องไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นเพราะถ้าเราไปทำภารกิจการงานอื่นๆนี้มันจะยากต่อการที่จะเจริญสติเพราะการเจริญสติที่ถูกต้องก็คือการระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆ เพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ขวางกั้นความสงบขวางกั้นความสุขของใจตัวคิดนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราจึงต้องมาฝึกสติเมื่อเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยถ้าอยากจะเจริญสติที่จะเป็นสติที่สัมปะชญะญคือสติที่ต่อเนื่อง ที่จะมาทำใจให้นิ่งให้สงบได้ในขณะที่เรานั่งสมาธิกันต้องต้องมีเวลาต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานหนึ่งเช่นวันหยุดทำงานของเรานี้เราก็ลองมาถือศีลแปดสักวันแล้วก็ไปหาที่สงบเนี่ไม่มีใครมารบกวนเราแล้วก็พยายามปฏิบัติตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยตอนขั้นต้นก็ฝึกสติไปก่อนพอตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมา จะไปทําธุระอะไรก็ตามส่วนตัวเราก็ให้มีสติสตินี้ก็มีสองวิธีใหญ่ๆด้วยกันที่ใช้กันอยู่คือให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปพอลุกขึ้นมาจากเตียงเดินไปข้าห้องน้ําไปทำธุระก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องไม่เสียความขลกุกพุทโธนี้เอาไปได้ทุกแห่งทุกคนจะอยู่ในห้องน้ําอยู่ที่ไหนก็พุทโธได้ เพราะนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องของการการบูชาเป็นการปฏิบัติบูบชาเพราะการปฏิบัติบูชาไม่เหมือนนามิสบูชาอมิสบูชานี้ต้องมีสถานที่เช่นมีพระพุทธรูปตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียนไว้กราบไหว้แต่นี่เป็นการปฏิบัติบูชาด้วยพุทโธพุทโธเป็นตัวที่จะสร้างสติให้เกิดขึ้นเราสามารถเอาพุทโธไปได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าเราจะทําอะไรกับ ร่านกายของเราให้เรามีพุโทโธคอยกำกับเมื่อให้ใจเราไปคิดเรื่องอื่นให้ใจเราอยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่เช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยูุ่ดความคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้โดยกานใช้คําบริกรรมพุโทโธพุทโธไปนถ้าเราทําพุโทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องพุโทโธไม่หาย เวลามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถนั่งแล้วก็พุโทโธต่อได้ควบคู่ไปกับการดูลมหายใจก็ได้หรือไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการหรือเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือพุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างมารวมกันก็ได้พุทเข้าโทธก็ได้นี่คือวิธีทําสมาธิทําจิตใจให้นิ่งให้สงบถ้าสติเราต่อเนื่องไม่หดไม่หายไป ความคิดก็ต้องหยุดคิดใจก็จะนิ่งสงบเต็มที่พอใจนิ่งสงบเต็มที่เราก็เรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาขณะที่ใจนิ่งสงบนี้ใจจะมีความสุขมีความมีความเบา อ, อกเบาใจมีแต่ความว่างมีแต่ผู้รู้อยู่แล้วก็มีอุเบกขาคือใจจะเป็นกลางใจตอนนั้นจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ถ้าใครพูดอะไรไม่ดีก็จะเฉยเฉยได้ใครทําอะไรไม่ดีก็จะเฉยเฉยได้ถ้าใจมีออเบคาเพียงแต่ว่าโอเบคาขั้นของสมาธินี้จะอยู่ได้เฉพาะในช่วงที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมามันก็จะค่อยๆจางหายไปแต่เวลาออกมาใหม่ๆใจก็จะรู้สึกเฉยเห็นอะไรก็เฉยไม่หิวไม่อยากได้เห็นอะไรที่ไม่ดีก็ไม่รู้สึกหวาดกลัวก็เสียใจเฉยเฉยได้ แต่ไม่นานความเฉยนี่มันก็จะค่อยๆจางไปถ้าอยากจะให้ความเฉยนี่มันเฉยต่อไปก็ต้องใช้ขั้นที่สองคือวิปัสสนาคือปัญญามาสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรูบ้ในขณะที่ออกจากสมาธินี้ล้วนเป็นตายักทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของที่ไม่ทิ้งแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อม เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้หรือสั่งเขาได้ใครก็จะพูดดีไม่ดีแล้วก็ไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ฝนตกแดดออกเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเฉยไปทั้งเองยอมรับสภาพความเป็นจริงอย่าไปต้านอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะทําให้ใจเราทุกข์แต่จะทําให้อุเบกขาหายไปหมดถ้าเราไม่ต้องการให้ใจเราทุกข์ ถ้าเราต้องการให้อุเบกขาอยู่อยู่เพื่อที่ทําให้ใจเราเย็นทําใจให้เราสบายเราก็ต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักแล้วก็ไม่ปไปหยาอะไรกับเขาไหวเขาเป็นไปตามสภาพของเขาเขาเกิดเขาดับก็เป็นเรื่องของเขาเขาดีเขาเชื่อก็เป็นเรื่องของเขาเขาเป็นเขาตายก็เรื่องของเขาเช่นร่างกายร่างกายก็เป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีการเกิดมีการดับมีการแกร่มีการเจ็บมีการตาย เป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นตายรักเราปล่อยวางได้หมดใจของเราก็จะสงบเป็นอุเบกขาตลอดเวลาจะไม่มีความรู้สึกรักชังกลัวหลงกับอะไรต่อไปเห็นอะไรก็เฉยเฉยเย็นสบายไม่เดือดร้อนนี่คือขั้นนี่คือการสร้างบ้านจนสาเร็จ ต้องไปถึงขั้นปัญญาไปถึงขั้นอุเบกขาไปถึงขั้นที่ใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่สะทกสถานไม่วุ่นวายใจอันนี้คือคือเป็นการสร้างบ้านสําเร็จถ้าใจได้ถึงขั้นปัญญาสามารถระงับความอยากทุกชนิดได้ปล่อยวางทุกอย่างได้ด้วยการเห็นใจรักเมื่อปล่อยวางทุกอย่างได้ใจก็จะนิ่งสงบมีแต่ความสุขไปตลอด แล้วใจที่นิ่งสงบมีความสุขไปตลอดก็จะไม่ไปเกิดเด็กต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ใจก็จะไม่มีความทุกข์ต่อไปนี่แสดงว่าใจมีที่พึ่งอย่างถาวรแล้วคือพระนิพพานที่ได้จากการที่เรามีมีที่พึ่งจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีที่พึ่งจากอัตตาหิอัตโนนาถูนี่คือเรื่องของการสร้างความสุขความสบายให้กับชีวิตของเรา ทั้งทางร่างกายและจิตใจคือต้องมีที่พึ่งทั้งสองส่วนทั้งร่างกายด้วยทางจิตใจด้วยเมื่อเรามีครบแล้วใจของเราก็จะอยู่อย่างปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอดดีก็คือเรื่องราวของสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะธาวาริวาหาปุราปะริกุเรนติสาคขัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธัสปีติโยวิวัจจันโตสัพพโลกวินาสตุ มาเตภวะตะันตาลโยสุขีทีขายุโกภวะอาพิวาธนศิลิสานิจังวุธาปจายโนจัตารธรมาวะทานเตอายุวโนโสุขังคาลัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้าไปทางเพจทางยู u b e ได้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานจะเอามาอ่านวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่กล่าวณมัตสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ ยอดผู้รับชมทาง Facebook 410ท่าน YouTube พระอาจารย์258ท่าน YouTube Dr. V c h ร n ว e ชาแน160ท่านวิทยุออนไลน์8ท่านครับเฮา์17ท่านผู้รับฟังหน้ากูติ117ท่านรวมทั้งหมดเป็น970ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยใชค่ะ มีคำถามจากนัากุฏิเจ้าค่ะขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราไม่ทำงานแล้วเราเดินจงกรมนั่งสมาธิแทนแต่จิตเราไม่สงบเลยแล้วเราจะได้บุญไหมคะก็ยังไม่ได้บุญหนี่ก็ต้องทำต่อไปเหมือนกับสร้างบ้านหรือกินข้าวถ้ากินคํสองคามันก็ยังไม่อิ่มก็มต้องกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวกินไปสักพักหนึงเดี๋ยวมันก็จะอิ่มขึ้นมาเอง ใจก็เหมือนกันเวลาใจสงบใจอิ่มก็เป็นบุญถ้าใจยังหิวอยู่ก็ยังไม่เป็นบุญมีคำถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะอยากถามว่าเวลาสวดมนต์จำเป็นไหมที่ต้องนั่งสวดนอนสวดได้ไหมจะบาปไหมคืนอนสวดมันยังสวดไม่ได้มากสวดไปได้เดียวๆหลับครอกสวดครอกแน การสวดนี้เพื่อที่จะเป็นเป็นเป็นการฝึกสติเป็นการฝึกสมาธินั้นถ้าเราต้องการผลจากการสวดเราต้องนั่งสวดหรือเดินสวดก็ได้เดินจงกรมไปแล้วก็สวดไปภายในใจก็ได้หรือนั่งแล้วก็สวดไปเพื่อรับความคิดปรุงแต่งต่างๆที่มันทําให้ใจเราวุ่นวายพอเราไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วใจเราก็ว่างเยน็นสบายมีความสุบ โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปกินนูน่นกินนี่ใช้วิธีหาความสุขจากการควบคุมสติควบคุมใจเราไม่ให้คิดดีกว่าง่ายมากแล้วก็ถูกด้วยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณรัชดาศรีอินพระอาจารย์คะเพราะอะไรคะช่วงทำในรูปแบบมีอาการง่วงนอนมากๆค่ะ เพราะว่าเรากินมากเกินไปย่ถ้าเรากินเสร็จแล้วไปนั่งมันก็จะหลับหนังท้องตึงแล้วหนังตาก็จะหย่อนเหตนี้นต้องกินน้อยๆคนอยากจะปฏิบัตินี้พระเจ้าสอนให้มีการการรับประทานอาหารพอประมาณเช่นไม่ถือศินแปดไม่กินหนังจากเที่งวันไปแล้วหรือถือถือถือถื อ, ถ อ, ถอดองข้าววดก็กินมื้อเดียวมันจะทําให้เราง่วงน้อยลงแต่ต้องกินไหม่ๆมันก็ง่วงแต่สักพักหนึ่งพอมันผ่านไปแล้วมันก็ มันก็จะไม่ง่วงไปทั้งวันนี่วิธีแก้ความง่วงก็คือต้องไปอยู่ที่น่ากลัวเช่นอยู่ไปไปอยู่ในป่าหรือไปนั่งสมาธิในป่าช้าทั้งนี้รับรองได้ไม่ง่วงตืน่นคําถามต่อไปพอนั่งรู้ตัวไปนานๆแล้วง่วงค่ะบางทีก็เผลอหลับไปเลยแก้ยังไงคะนามัสการค่ะก็ลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนอิริยาบถี่ย ถ้านั่งหลับก็เหมือนกับไม่ได้ปฏิบัติก็นอนไปดีกว่าจะสบายกว่าถ้านั่งหลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนเดินไปก็พูดโธพูดโธไปหรือดูเท้าที่เราเดินก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วใจของเราก็จะไม่ง่วงเดินไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ความง่วงก็จะหายไปถ้าเราก็กลับมานั่งต่อได้แต่ที่ช่วงเดือนนี้บางทีมันก็จะนําให้เราหลับทั้งยืนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องฝืนต้องสู้เหมืน ใครเดินอยู่มันยังก็ยังจะงจะหลับทั้งยืนเนี่ยแต่เราใส่พุทโธพุทโธพุทโธขึ้นไปเหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้ความง่วงมันหายไปเลยแล้วมันรู้สึกตื่นขึ้นมาวิธีแก้ความง่วงก็ใช้การเดินจงกรมนี้ได้แต่ต้องอดทนต้องฝืนพนรู้สึกง่วงไงก็เดินไปเดินไปยิ่งถ้าไปเดินในป่าที่มันเสี่ยวนี่มันจะไม่ง่วงเลยมันจะหายเลย คำถามต่อไปจากคุณวายุกราบน้ำระสการท่านพระอาจารย์กระผมมีคําถามอยากเรียนถามคนที่ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปหรือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือบางคนก็ได้พรตามใจปรารถนาบางคนก็ไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับก็เพราะมันจะอยู่ที่ขอไมันอยู่ที่จะได้หรือไม่ได้พวกคนที่เขาไม่ขอเขาได้กันก็เยอะคนที่ไม่ขอถูกหวยกันก็เยอะ คนที่ขอแล้วไม่ได้ถูกหวยก็เยอะมันไม่ได้อยู่ที่การขอหรือไม่ขอมันอยู่ที่การได้หรือไม่ได้เมื่อถึงเวลามันจะได้ไม่ต้องไปขอมันก็มาเองเมื่อถึงเวลามันไม่มาข อ, อยังไงมันก็ไม่มานี่คือหลักหลักความเป็นจริงต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนบางอย่างก็มาบางอย่างก็ไม่มาเฉั้นพระอาจารย์ถึงสอนว่าอย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆมาพึ่งตัวเองดีกว่าพึ่งการปฏิบัติ เราจะได้สิ่งที่เราดีกว่าคือความสงบสุขที่เป็นคามสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงคําถามข้อที่สองเวลาผมนั่งสมาธิกระผมจะอธิษฐานจิตถ้าเทียนไม่ดับจะไม่ลุกเมื่อเทียนดับแล้วจึงจะลุกกระผมจะได้สัจจะบารมีหรือไม่ครับถ้าทําตามที่เราตั้งใจไว้ก็มีสัจจะบารมีถ้าทําไปแล้ว เทียนยังไม่ทันดับขอรู้ก่อนนี้ก็สแสดงว่าไม่มีมมสัจจะ บ, บารมีนั้นก่อนที่เราจะตั้งอะไรตั้งอธิษฐานอะไต้องดูกําลังของเราก่อนว่าเราจะทนะําไหวไหมอย่าไปตั้งเกินกําลังของเราเพราะตั้งเกินกําลังนั้นมันจะทําไม่ได้จะเสียสัจจะแล้วต่อไปจะทําอะไรไม่ค่อยได้ดังนั้นต้องทําตามกําลังของเราไปก่อนแลว้วเมื่อเรามั่นใจว่าเราทําได้เราก็ตั้งสัจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตั้งเวลานานให้ขึ้นไปเรื่อยๆ คำถามต่อไปจากคุณเอ ก, เอกชัยขอให้พระอาจารย์ได้ช่วยอธิบายข้อธรรมเกี่ยวกับปรมี1ิประการหน่อยเกิดความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางปรมี10ประการก็เป็นเหมือนกับลิฟท์ที่เราใช้บนขึ้นอาคารระยะขึ้นไปอาคารชั้นต่างๆก็ขึ้นลิฟต์กันไป ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ทําทางงานทําบุญ ท, ทาทานถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมล้วก็ไปถือเนคขมา่าไปไปไปฝึกสมาธิให้ใจเป็นอุเบกขาเราก็ได้สวรรค์ชั้นพรหมถ้าเราอยากไปสวรรค์ชั้นอารียาเจ้าพระนิพพา น, านเราก็ต้องใช้ปัญญาเจริญปัญญาอันนี่คือมรรคสิทก็เป็นเครื่องยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นถ้าเราไม่อยากจะตกลงไปใต้ดินเรา ก, าก็เราก็ต้องรักษาศีล ศีลห้าเพราะศีลจะป้องกันไม่ให้เราไปตกต่ากับความเป็นมนุษ ย, นย์ถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเราไม่รักษาศีลห้านี้ถึงแม้ร่างกายเราจะยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจเราเป็นเดราาัจฉานไปแล้วเป็นเปรตไปแล้วเป็นนรกไปแล้ว คำถามจากคุณแทนใจกราบนามัสการค่ะพระอาจารย์หนูนั่งสมาธิไม่ได้แต่อาศัยการสวดมนต์ช่วยประคองสติไม่ให้ฟุ้งซ่านการที่หนูเลือกที่จะสวดมนต์มากกว่าการฝึกนั่งสมาธิแบบนี้ถือกว่าดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเลยไหมคะก็เป็นเหมือนกับขั้นอนุบาลเนี่ยการนั่งสมาธิก็เหมือนมีขั้นอนุบาลขั้นปฐมขั้นมัธยม เืิตอต้นเมื่อเรายังเข้าสู่ชั้นปฐมมัธยมวิทยมไม่ได้เราก็ใช้ขั้นอนุบาลไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนต่อไปพอเรามีกำลังสติมากขึ้นเราก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วดูลมหายใจไปได้ คำถามจากคุณเสงีงดอนภัยสิทธิพงศ์กราบพระอาจารย์ครับวิปัสสนกิเลสกับนากับยานเราจะแยกได้อย่างไงครับว่าเราเจออะไรถ้าเจอวิปัสสนกิเลสควรทําทอย่างไรครับส่วนใหญ่เวลาเจอมันจะไม่รู้นะต้องบางทีต้องให้คนอื่นเตือนเช่นต้องมีครูบาอาจารย์ช่วยเตือนให้เพราะเวลาเราเชื่อตัวเราเองแล้วเราจะหัวปักดินเลยยังไม่เชื่อใคร งั้นเราควรจะมีครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อถือได้แล้วเวลาเรามีอะไรเราสงสัยอะไรคนไปปรึกษากับท่านจะดีกว่าถ้าปฏิบัติแบบไม่มีครูบาอาจารย์ก็อาจจะหลงอาจจะเป็นเสียสติไปได้งั้นการปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้มันจะเป็นที่ต้องมีผู้มีประสบะการณ์คอยให้คอยตรวจสอบสภาพจิตใจของเราว่าเป็นเป็นไปในทางที่ถูกหรือไม่ ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี่มันอาจจะมีโอกาสหลงได้แต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องหลงทุกคนบางคนก็ฉลาดพอที่จะเลือกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมแต่ถ้าเราไม่สามารถแยกแยะได้ก็ต้องไปปรึกษาถ้าเราปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่ถูกมันยังไม่ยังมันยังมีความทุกข์อยู่แสดงว่ามันไม่มันไม่ใช่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีความอยากอยู่อย่าไปคิดว่าสําเร็จยังไม่สําเร็จนะครับ ถามจากอยากโยมเจ้าค่ะเวลากลางคืนภาวนาเราทีนี้มันมันภาวนาได้ทั้งคืนเจ้าค่ะพอกลางวันมามันก็จะไม่ง่วงและนอนไม่หลับเลยเจ้าค่ะเพาไม่เป็นไรก็แสดงช่วงนั้นมีสติมันมีกำลังมากมันก็เลยไม่ง่วงก็ถือในสัจคิกไปก็ปฏิบัติต่อไปเดี๋ยวมันหมดกําลังมันก็เดี๋ยวร่างกายมันเหนื่อยมันก็จะง่วงขึ้นมาเองเจไม่ต้องกังวลการไม่ง่วงไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัย ต่อจิตใจหรือต่อร่างกายจาค่ะถ้ามันไม่งว่วงอย่าไปอยากให้มันหลับเนื่อจะไประทาง ใ, ใจเราทุกข์ขึ้นมาได้เมื่อไม่งว่วงเราก็เือว่าดีมันมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็ปฏิบัติต่อไปเดินจงกรมนั่งสมาธิสังเทศสังธรรมไปต่อไปจ้าค่ะกลางกลับนมัสการเจ้ออาค่ะพระอาจารย์เคยได้เรียน เรียนธรรมะกับพระอาจารย์ในเรื่องของยองหยุดเย็นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหนูว่าหนูทำได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยที่เคยมีเคสขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของเคสของลูกสาวที่มหาวิทยาลายัยแล้วก็กั บ, ก, บกับทางผู้ปกครองท่านหนึ่งอะคะ่ะ mm hmm. ตอนเนี้ mm hmm. เขาโทรศัพท์มาขอโทษหนูแล้วก็ขออโหสิกรรมเห็น mm hmm. เขาบอกว่าเขาถวายที่ดินพระอาจารย์ประมาณสิบไร่แต่ว่าหนูแจ้งไปแล้วว่านะท่านท่านพระอาจารย์ไม่รับ mm hmm. เขาก็ถามหนูว่าจะให้เขาเอะ ขอโทษหนูยังไงบ้างหนูบอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นก็คือก็ต่างคนต่างอยู่ซึ่งซึ่งตัวเนี้ยเขาก็ขอขอกลับมาว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะขอเข้ามาคุยหรือว่าเป็นเพื่อนกันซึ่งหนูก็ปฏิเสธไปคำถามก็คือเร า, เราโทรสัพท์ก็ได้ แต่ว่าเราไม่อยากคุยเลยค่ะมันจะเป็นเรื่องของขาดความเมตตาไหมเจ้าค่ะก็อาจจะขาดก็ให้โอกาสเขาบ้างก็เขาลองฟังเขาดูอะไรได้ทดสอบจิตใจเราคิดว่าเราเราเราผ่านหมดแล้วก็เราก็ต้องผ่านเขาได้ถ้าเรายังผ่านเขาไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ผ่านค่ะทีเวลาคุยกับเขาค่ะมันเราฟังเฉยๆไปเราไม่ทำอะไรปล่อยให้เขาพูดไปค่ะแล้วถ้าเรามีอะไรเสริมที่ดีเป็นธรรมะธรรมะก็พูดไปให้เขาฟังค่ะะะเพราฉนั้นเอง เราไม่ต้องไปไปแก้เขาไปเปลี่ยนเขาหรืออะไรเพียงแต่อาจจะมีข้อแนะนาที่ดีให้กับเขาไปแค่นมีอยู่ตัวหนึ่งที่ได้ฟังฟังเขาพูดอะคะ่ะแล้วก็ที่โอโฮสิกรรมหนูเห็นกองทุกข์เปรียบเทียบกับตัวเราที่เราโยนเราเอาความทุกข์ที่แบกมาออกแล้วก็เห็นความทุกข์ที่เกิดกับเขาที่เขายังแบกอยู่มันก็เลยเห็นในเรื่องของอันนี้จังไม่เที่ยง ก็ยังอย่าไปใช้รายใจว่าเห็นหมดแล้วยังมีของซ่อนอยู่ที่มันยังไม่รอโผล่ขึ้นมาตะป บ, บเราอยู่่ะก็ดูไปได้เรื่อยอย่าประมาทประมาทค่ะขอบพระคุณจ้ะค่ะนักปฏิบัตินีจะไม่ปฏิบัติไม่ไม่ประมาทจะเตรียมรับกับเหตุการณ์ต่างๆตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าเราผ่านแล้วหมดแล้วดาจะคิดเป็นผ่านแต่ความจริงมันไม่ยอมมันไม่ยอมหมดกับเรามันยังจะมาหาเรื่อง ก, กับเราเอง ก็รอดูไปเรื่อยๆเอาคำสามสุดท้ายแล้วกันนะเวลากใกล้จะหมดแล้วเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากคุณจรุวรนณขณะนั่งสมาธิภาวนาโดยกำหนดจิตด้วยคำภาวนาพุโทโธจงจิตภายใจภา ย, ภายในท่องพุโทโธเองจากจิตข้างในแบบนี้ถือว่าปฏิบัติมาถูกทางแล้วหรือไม่เจ้าค่ะคือถ้าเรามีอะไรกำกับใจเพื่อไม่ให้ใจเราคิดก็ถือว่าถูกทาง เ้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดเรื่อเรื่อยเปื่อยให้มีอะไรกำกับใจเช่นพุโทโธจะมาเองหรือว่าเราต้องดึงมันมาก็ได้ถ้ามันมาเองแสดงว่าเราฝึกมามากแล้วมันเริ่มมันเริ่มมาตามเมื่อถึงเวลามันรู้ว่าต้องมามันก็จะมาเอง mm hmm. โอเคนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อน